ขอนุัมทนากับญาติโยมทุกๆท่านที่ได้ตั้งใจในการที่จะศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเออในการศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าที่สักครู่ที่ว่าญาติโยมได้กล่าวไปตามลําดับนั้นก็คือว่าในครั้งที่แล้วจะได้สนทนากันมาที่นี้ในครั้งนี้ก็อยากอยากจะกล่าวในพระไตรปิฎกคือในพุทธกัณตรปิฎก ให้เราทั้งหลายได้ได้สัมผัสฟังในครั้งนี้ก็จะเกิดต่อจากตอนเช้าแล้วก็จะขยายบ้างเล็กๆ็กน้อยนี่นะคือก็จะพูดในคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะในสติปัฏฐานสูตรคือเชื่อมโยงการปฏิบัติแล้วก็เราท่านทั้งหลายที่สงสัยบางจุดบางประการก็ก็จะได้สอบถามรายละเอียดแต่ในครั้งนี้ก็อยากจะพูด หยิบทัศเรื่องใดเรื่องหนึ่งเข้ามานะในสติประธานเนี่ยโดยเฉพาะในอียาบท บ, บเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรเอามาสนทนากันในวันนี้นะก่อนที่เราจะศึกษากันในครั้งต่อไปที่บอกว่าจะมีการจะศึก ษ, กษาในสถติประฐานถือเป็นต้นหนึ่งเอิญเมื่อเช้านี้ก็สนทนาพอเป็นแนวทางเขาไว้บ้างเราจะหยิบยกในพระไตรปิฎกโดยเฉพาะใน พสุตตันคปิฎกในมัชฌิมานิกายมูลปัญนาในอียาทบทบกที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอียาทบทบกรักในข้อที่หนึ่งร้อยสามสิบสี่พระพุทธองค์ตรัสบอกว่ารู้ก่อนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุเมื่อเดินก็รู้ชัดว่าเราเดินเมื่อยือนก็รู้ชัดว่าเรายืนเมื่อนั่งก็รู้ชัดว่าเรานั่งเมื่อนอนก็รู้ชัดว่าเรานอ น, อน เมื่อเธอตั้งกายไว anyway, ้ด้วยอาการอย่างใดอย่างใดก็รู้ชัดอาการอย่างนั้นอย่างนั้นด้วยเหตุดังพันนามาชนีพิสุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายบ้างพิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบ้างพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างเห็นธรรมคืยความเกิดขึ้นในกายบ้างเห็นธรรมคืยความเสื่อมไปในกายบ้างเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในกายบ้างอยู่ อันหนึ่งสติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่ากายมีอยู่ก็เพียงเพื่อให้เกิดความรู้ความรู้ในที่นั้นเป็นชื่อของญา น, นะเพียงเพื่อให้เกิดสติเท่านั้นเพื่อเจริญสติสัมประชัญญาเธอเป็นผู้อันตัญหาและทิฐิไม่อาศัยอยู่และไม่ยึดมั่นอะไรอะไรในโลกก็คือไม่ยึดมั่นในอุปาทานขันห้าว่างามกว่าเที่ยงว่าสุขแล้วก็ว่าเป็นอาาัตตาดูก่อนพิสูุทั้งหลายแม้อย่างนี้พิสูจชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกาย ข้อความนี้เป็นเป็นพุทธพจน์เป็นพระพุทธธรรหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ในอีริยาบถบอกทีนี้พอพูดในเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานที่วันนี้จะเกินเอาไว้เนี่ยนะก็ต้องไปดูเชื่อมในพื้นฐานที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ในในอุทเทศก่อนคือในสติปัฏฐานสูตรเนี่ยที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ถ้าเชื่อมโยงจากสูตรเดิมเลยเนี่ยสูตรแรกเลยเนี่ย ในมัชฌิมิกายมูลปันนาสเหมืกันที่บอกข้าพระเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้มีหมายถึงด้านบ้านโน้นด่านพูดหนึ่งสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในแคว้นกุรุอาศัยนิคมหนึ่งแห่งชาวกุรุชื่อว่ากรรมมาสะธรรมมังหน้าที่นั้นเน่ยพระผู้ทธวิประพาสตัดเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นก็ทูลรับพระพุทธวิประภาสเจ้าแล้วพราพุจะเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทางนี้เป็นทางเอก เพื่อความบริสุทธิ์ของศัตรเพื่อก้าวล่วงความโศกและปริเทวะเพื่อดับสูงไปแห่งทุกขเวทโทมนันะเพื่อบรรลุธรรมที่ถูกต้องและก็เพื่อกระทำขั้นนิพพานให้แจง้งทางนี้คือสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4เป็นฉไหนะดูก่อนพิกษุนทั้งหลายพิสูจน์ในพระธรรมนิยายนี้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีหมายถึงกายยานุปัสนาสติปัฏฐานมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกจาจัดอภิชาและโทมนัตในโลกเทิดได้อยู่มีข้อแรกหนึ่ง พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัสายยามปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้หนึ่งอันนี้เวทนานุปัสนาสติปัฏฐานพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัสายยามปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเจะได้หนึ่งแล้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสจยได้หนึ่งตรงนี้ในส่วนของอุเทศเนี่ย อันนี้เป็นพุทธคดในกลุ่มของบุคคลที่เขามีสติปัญญาค่อนข้างมากเนี่ยท่านฟังอุเทศแค่นี้ท่านเข้าใจแต่ถ้าหากว่าอย่างเราท่านทั้งหลายในยุค ป, ปัจจุบันเนี่ยฟังอุเทศเนี่ยยากมากที่จะเข้าใจก็ต้องไปฟังมิเทศกันคือการขยายความนั้นทีนี้ต้องการจะขยายตรงนี้เราฟังเหมือนว่าพระพุทธเจ้าตรัสอนิสงส์บอกทางนี้เป็นทางเอกันเพื่อความบริสุทธิ์ของเราสัตว์มีประการยี่งเพื่อก้าวล่วงความโศก มีประการที่2และปาริเทวะมีเป็นข้อที่สามแล้วก็เพื่อดับศูนย์ไปแห่งทุกมีสี่และโทมานาตมีห้าเพื่อบรรลุธรรมที่ถูกต้องก็คือบรุษอริยมัชอันนี้ที่เท่าไรแล้ว6กใช่ไหมแล้วก็ข้อที่7จ็ดก็คือเพื่อกระทํำปานิพานในแก่นอันนี้เป็นข้อที่7จ็อันนั้นพระองค์ตรัสบอกอันที่สองก็บอกว่าจากโลกทั้งหลายที่ปราศนาความบริสุทธิ์ความหมดจดเนี่ยบอกให้มาเดินทางสายนี้ท่านบอกว่าทางสายเอง ปกติในีสัตว์โลกทั้งหลายนั้นเศร้าหมองเพราะอะไรเศร้าหมองเพราะกิเลสมีราคะโทสะโมหะเป็นต้นฉะนั้ความเศร้าหมองเนี่ยพระองค์ไม่ได้ตรัสหมายถึงว่ามีเสื้อผ้าหรือผิวพันธุ์ที่เศร้าหมองแต่ตรัสหมายความว่ากิเลสที่อยู่ในกระแสจิตของสัตว์โลกเนี่ยเป็นเหตุให้สัตว์นั้นเศร้าหมองใช่ไหมฉะนั้นถ้าสัตว์โลกนั้นต้องการบริสุทธิ์หมดจดก็ต้องมาเจริญสติปัฏฐานที่ท่านเชิญชวนอย่างนั้นและประการหนึ่งก็คือว่าความโศก ความโศกเนี่ยความโศกที่เกิดขึ้นในกระแสจิตเนี่ยถามว่าความโศกนี่เป็นสภาวะของอะไรเป็นสภาวะของของโทสัเนี่ยนโทสังความโศกเนี่ยแล้วปริยุเทวานี่ยคือความบ่นเพ้อแค่โดยตรงก็คือบอกว่าเออเนี่ยความโศกนี่ชอบไหมปริยุเทวาการบ่นเพ้อนี่ชอบไหมผมไม่ชอบปรารถนาจะพ้นจากความโศกและปริเยเทวาไหมถ้าปรารถนาจะพ้นพ่อองค์ก็บอกเนี่ยมาทางสายเนี่ยจะพ้นจากความโศกและปริยุเทวา แล้วเพื่อความดับศูนย์ไปแห่งทุกทุกกายนี่นะถ้าตราบใดเรายังมีการเรียนไหวใจเกิดใช่ไหมความทุกข์กายนั้นก็ต้องประสบแน่นอนไม่ว่าจะเกิดในภพใดภูมิใดเนี่ยก็นํามาเป่นความทุกข์กายที่หนักไปกว่านั้นก็คือความทุกข์ใจฉะนั้นถ้าสัตว์โลกทั้งหลายปรารถนาไม่ต้องการความทุกข์กายทุกใจเพื่อความดับศูนย์ไปอย่างท้าวรดับโดยไม่มีส่วนเหลือ ถ้าไม่มีขันหา้าก็ไม่มีความทุกข์กายทุกใจใช่ไหมการทุกข์กายนั้นเป็นเป็นการทุกข์ในส่วนของรูปประขันทุกข์ใจนั้นในกลุ่มของเวทน า, าขันธ์สัญญาขันธ์เลือขาระขันธ์แล้วก็วิญญาณขันธ์นั่นดังนั้นความทุกข์กายอย่างยกตัวอย่างเช่นทุกข์ข่าสารขากายสัญญาณจิตเนี่ยนะที่เป็นเกิดขึ้นในอาศัยอาศัยร่างกายอาศัยกายของแต่โลกเกายวิญญาณ น, น, นี่อาศัยอะไรอาศัย อาศัยกายยปะศาเมือ่อใช้กายยปะศาเกิดขึ้นได้กระทบสิ่งต่างๆเหล่านั้นในความทุกข์กายสัตว์โลกทั้งหลายที่ประสบเนี่ยเช่นโดนทรมานต่างๆใช่ไหมตลอดถึงโดนทุกโดนตีเป็นต้นเหล่าเนี้หรือมีร่างกายก็จะต้องประสบความทุกข์ตรงนี้นที่หนักไปกว่านั้นก็คือความทุกข์ใจบอกว่าถ้าต้องการดับสูญไปแห่งทุกข์และโทมานัตก็ตัวเลือดสติปัฏฐานแล้วก็ถ้ปาปรารถนาจะบรรลุอริยมรรคคือสโสดาปติมตรรคสกาสาคามีมรรคนาคามีมรรคและอัตมรรค พ่อผมาเชิญชวนบอกให้เจริญสติปตัฏฐานประการสุดท้ายก็คือกระทําพา น, า น, นิพาน์ให้แจ้งคือบรรลุใหญ่ๆครับเืองบรรลุพานิพาน์นิพานธนะั้นสัจิจเริยานะเนี่ยบอกว่าการทำพานิพานให้แจ้งก็หมายความว่าตราบใดสัตว์โลกทั้งหลายถ้ายังไม่ได้สัมผัสพานิพานธ์ทางวนโนทวารเนี่ยนะถ้าได้เห็นพานิพานธ์ในครั้งแรกเนี่ยซึ่งเป็นทัศนาเนี่ยนะได้เห็นพานิพาน์ครั้งแรกพบเนี่ยตังสาลวัฏก็จะย่นลงม า, ามใช่ไหมใช่ ในปัจจุบันเนี่ยเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าสังสารวัฏของเราเนี่ยมันจะไปจบลงณที่ใดเหตุผลง่ายอย่างเดียวที่เราเข้าใจตามคําสอนของพระพุทธเจ้าก็คือว่าเพราะว่ากระสจิตของเราไม่ได้สัมผัสพระนิพพานการไม่ได้สัมผัสไม่ได้เห็นพระนิพพานมันมีโทษอย่างเนี้ยโทษก็คือว่าทําให้เวียนว่ายใจเกิดชาติทุกชาติลาทุกหมดแล้ะทุกตามมันแล้วอย่างนี้ก็คือว่าถ้าหากว่าได้สัมผัสหรือได้เห็นพระนิพพาน สักครั้งหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็แปลว่าท่านุู้นั้นก็ยอ่อสังสารวัฏให้เหลือน้อยลงพระพุทธองค์ยิงบอกว่าสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4เป็นเช่นไหนก็พิจารณาหินกายในกายเป็นต้นให้สังเกตดูนะว่าในกายานุ ป, ปัสสนาสติปัฏฐานเป็นต้นเนี่ยพระพุทธเจ้าใช้คําว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวิ น, นัยนี้อันนี้สรุปย่อๆนะแต่ถ้าเรามีโอกาสศึกษากันก็ไปจับรายละเอียดคําว่าภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ก็หมายความว่าอะไรพระพระธองค์ยืนยันบอกว่าภิกษุเนี่ย มายถึงสมณะที่หนึ่งสมณะที่สองสมณะที่สามสมณะที่สี่หมายความว่าพระโสดาบันพระสกทาคาพระนาคาและพระลาหน์มีอยู่ในพระธรรมวินัยนี้เท่านั้นเป็นการประกาศยืนยันบอกว่าในศาสนาอื่นหมายความว่ารัฐที่ศาสดาอื่นนั้นว่างเว้นจากสมณะผู้รู้หมายความว่าว่างเว้นจากพระโสดาบันพระสกทาคาพระนาคาและพระลาห์อันนี้เป็นการประกาศยืนยันว่า นั้นพระโสดาบันเป็นต้นจนถึงผ้าละหันเป็นที่สุดนั้นไม่มีนอกจากในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าที่ยืนยันอย่างนี้พระพุทธองค์ตรัสตอบแก่สุภัทธะปริพาชกว่าที่ศาสดาศาสนาอื่นหรือในบรรดาภัยและละทิไม่มีสมณะที่หนึ่งสองสามสี่นั้นเพราะในพระธรรมวินัยอื่นนั้นไม่มีอริยมรรคมีองแปดฉะนั้นในพระธรรมวินยัยใดมีอริยมรรคดีองแปดในพระธรรมวินัยนั้นจะมีสมณะที่หนึ่งสองสามสี่ คือจะมีวสโสดาบันสกาธาผ้านาคาและพ้านาและพระองค์ก็ยืนยันว่าอริยมรรคโยงแปดนั้นมีเฉพาะในธรรมีในนี้ฉะนั้นเวลาคําสอนพระเจ้าจะตรัสบอกว่าดูบ่อนพิสูจทั้งหลายภิกษุในก็ธรรมีในนี้นี่เวลากล่าวพิสูจเนี่ยก็ต้องทำความเข้าใจกันนะว่าในกัตไตรปิฎกเนี่ยเวลาเราศึกษาตรงเนี้ยถ้าพระพุทธเจ้ากล่าวภิสูจเนี่ยมีอยู่สองในยักษ์ที่คิดได้ตอนนี้ก่อนเนี่ย ในยา่าแรกก็คือว่ากล่าวภิกษุเป็นประธานรวมถึงภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาด้วยอันนี้หมายความว่าถ้ากล่าวถึงภิกษุทั้งหลายภิกษุณีทั้งหลายอุบาสกทั้งหลายอุบาสิกาทั้งหลายนั่นก็เป็นการเป็ น, ปนพระองค์จะไม่กล่าวอย่างนี้เพราะกล่าวบอกว่าภิกษุทั้งหลายเหมือนอะไรเหมือนการสเสด็จของพระราชาวันนี้พร ะ, าาะพราชาสเสด็จพอบอกว่าพระราชาเสด็จเนี่ยไม่ต้องกล่าวถึงอา ม, มาตย์ราชบริพารหรือบุคคลจิตตามใช่ั้นไม่ต้องกล่าว เพราะพระลาชาจักไม่องค์เดียวอยู่แล้วอย่างนี้เป็นเออจะจักไม่มาคนเดียวอยู่แลในการกล่าวธรรมมาของพระเจ้าเหมือนกันนี้พระเจ้าบอกดูก่อนพิกษุนทั้งหลายนั้นยแสดงไม่เห็นชัดว่ากล่าวถึงบุคคลอื่นและอีกในย่าหนึ่งท่านกล่าวถึงพิกษุโดยโดยสถานะโดยภาวะของของขอ ง, ของการปฏิบัติก็แปลว่าผู้เห็นภัยอันนี้หมายถึงเน้นถึงว่าบุคคลที่เห็นภัยในสังสารวัฏหรือเห็นภัยในการเกิด อันนั้นเรียกว่าภิกษุกในย่านหนึ่อันนี้ในยานของการปฏิบัติการเข้าถึงเลยนยะอันนั้นไม่ได้จํากัดแล้วว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเน้นไปถึงว่าบุคคลที่มีอัธยาศัยในการเห็นภัยในการเกิดอันนั้นตรัสโดยฐานนเป็นภิกษุแต่ถ้าภิกษุในพระวินัยยติยกนั้นเน่ยหมายถึงอีกในญ่านหนึ่งหมายถึงผู้ทร ง, ง, งผ้าบางสระกุลเป็นต้อนอันนั้นก็ไปราศในญ่านี้ึ่งนั่นจะเราเจริญคำสอนตรงเนี้ย พิสูจนในว่าทำวิธีนี้ก็ก็ทําความเข้าใจได้อยู่ประการหนึ่งก็บอกพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เนี่ยนะเขบอกว่ากายในกายเนี่ยหลายหลายคนจะต้องตั้งประเด็นกันก่อนว่ากายของคนเราแยกออกใช่ไหมเป็นกายนอกกายในอช่ไหมก็จะทำความเข้าใจกันว่าก็ก็ไปบางทีคําว่ากายในกายนั้นคือคืออะไร ตรงนี้ก็ต้องทำความเข้าใจเลยว่าในกายานุปัสนาสติปัฏฐานมีทั้งหมดสิบสี่บอกในสิบสี่บอกนั้นก็เริ่มตั้งแต่อาณาปานาบาักบางท่านก็อาจว่าอาณาปานะบอกพระก็คือหมวดนี้หมวดที่ว่าด้วยเรื่องลมให้ใจเข้าและลมให้ใจออกเป็นต้นแล้วก็อีริยาวดบอกอันนั้นก็ว่าในเรื่องของอีริยาวดยืนเดินนัน่งนอนที่จะามากล่าววันเนี้ยจะปะก่าวจะอาจจะไม่ละเอียดอะไรเพราะใช้เวลาจะใช้เวล า, วลาถกสนทนาคุยกันสอบถามอะไรละเอียด แต่ถ้าเอาเอาอาณาปณะบัพมาสนทนาค่อนข้างยาวมากก็เลยเอ๊ลองหยิบอิยาบทบัพมานั่งสนทนากันดูใ้ฐานะที่มาศึกษาพระธรรมแล้วก็เคยฟังคําสอนอยู่อันนี้บทหนึ่งบัพนึ่งแล้วก็สัมปชัญญะบัพในบทนี้ได้บทนี้นก็คือธาตุมรณะิตการบัพก็ไล่ไปตามลาดับไปคนถึงปัจฉาทั้งเก้าดัวเป็นสิบสี่บัพฉะนั้นสําหรับพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เนี่ยถ้าหยิบอาณาปาณะบัพเอออาณาปาณะบัพขึ้นมาพิจารณาอยู่ อาณาปานาบัปคือการพิจารณาลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้นชื่อว่ากายและก็ในกายที่เหลือในกายที่เหลือก็คือียาบทบัปก็เป็นกายสัมปชัญญะบัปก็เป็นกายทาสุมณติการบัปเป็นต้นก็เป็นกายไปจนถึงป่าชาทั้งเก้าก็เป็นกายทั้งนั้นฉะนั้นถ้าหากหยิบอาณาปานาบัปขึ้นมาพิจรารณาอยู่หรือมาศึกษาอยู่อย่างนั้นก็เรียกว่าเรื่องมาไขควนมาพิจรารณาอยู่นั้นก็พิจรารณาเห็นกายและก็ในกายที่เหลือถ้า ถ้าทำฟังเข้าใจอย่างนี้เสียจะได้ถูกต้องตามอัศรพยัญชนะในวัตรไตรภิเดชถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะไปเข้าใจผิดใช่ไหมจะเข้าใจผิดว่าเอ้อกายของคนเรานี่แยกออกนะกายนอกอีกอย่างหนึ่งกายข้างในอีกอย่างหนงก็เลยจะไปกันใหญ่เดย่อมไม่ตรงกับพุทธพจน์ไม่ตรงกับ พ, พุทธประสงค์คุณยอมหมายเข้าใจตรงนี้นะนี่ถ้าเข้าใจตรงกันอย่างนี้ก็เรียกว่าเดินตาววัตรไตรภิเดชเป็นเดินตามพระพุทธเจ้าที่พระองค์สอนได้ ทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามีความเพียนคำว่ามีความเพียนนี่เป็นชื่อของสัมมาวายามะมัจําได้ยเลยองค์มัจแปดเนี่ยสัมมาวายามะมัเป็นชื่อของสัมมาประธานสี่ก็ได้เป็นชื่อของสัมมาวายามะมาจก็ได้เป็นชื่อของเป็นชื่อของวิริยะเจรสิกแต่ต้องเป็นวิริยะที่ในกุศล น, นะเนี่ยนะอันเนี้คือวิริยะไม่ใช่เพี้ยนผิดในที่นี้เป็นเพี้ยนถูก ชนเราอื่นชนเราอื่นจะเป็นผู้มีความเพี้ยนผิดเราทั้งหลายจะเป็นผู้มีความเพี้ยนถูกอัยารัยต้องตั้งรอยเพียนถูกในที่นี้ก็คือเพี้ยนในการเจริญสติปัฏฐานเป็นต้นนี่มไีได้ได้ได้มากหนึ่งองค์แล้วเนี่ยสัมมาวายามามันมีสัมปชัญญะสัมปชัญญะเนี่ยโดยโดยหลักจริงๆเนี่ยสัมปชัญญะท่านในสอมหมวดสัมปชัญญะบาปเนี่ยมีสี่ใช่ั้มศาสตกาศสัมปชัญญะ สัพย า, า, าสัมปชัญญะโพชระสัมปชัญญะอะสามโมหาสัมปชัญญะแต่สัมปชัญญะตรงนี้ท่านหมายถึงปัญญานี่ยนี่สัมมาทิฏฐิมรักได้สองมรักเลยใช่ไหมสัมมาวายามรักมรักกับสัมมาทิฏฐิมรักได้สองแล้วแล้วก็มีสติสติที่ตรงตัวสติก็คือสัมมาสติสรวปแล้วในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยเราจะเห็นองคมรกสามแล้ว ใช่ไหมสัมมาวายามะมาัสส ม, มาสติและส ม, มาทิฏฐิได้สามแล้วนะกําจัดอภิชาไอตัวกําจัดตัวเนี้ยท่านในสัมภีรเนติปกรณ์ท่านให้อีกหนึ่งองค์คือสมาธิเอกขจาส ม, มาสมาธิมัสมารุปแล้วก็คือว่ากําจัดอภิชาอภิชาเนี่ยองค์ธรรมโดยสภาว่าของเขาไม่ได้แก่ตัวโลภะทอมานะนี่เป็นชื่อของพยาบาทเป็นชื่อของโทสัในโลก โลกในที่นี้เป็นชื่อของอุปาทาน potato, ันห้าอุปาทานันห้าก็คือเวลาคำว่าส่วนบนก็รูปปาทานขัทนโทเวทนาปาทานขัทนโทสัานโยปาทานขัทนโทสังขารูปาทานขัทนโทวิญญาูบาทานขัทนโทขันธ์ที่เป็นที่ตั้งของความยึดมั่นคือรูปคือเวทนาคือสัญญาคือสังขารคือวิญญาณอุปาทานห้าในที่นั้นนะท่านเรียกว่าโลกขันธ์ท่านโลกโลกคือขันธ์กำจัดอภิชาอภิชาอยู่ไหน อยู่ในขันห้ายึดถืออย่างไงยึดถือกันห้าธอมนัสัวเนี่ยบอเอาอภิชาและธอมนัสออกจากขันห้าเสียโดยตรงก็อย่างนั้นหนึ่งกลุ่มของอภิช า, อ, าออกมากลุ่มของธอมนัส อ, ออกมาถ้าตัวกําจัดเนี่ยเป็นชื่อของสมาธิมรคสรุปแล้วก็ถือว่าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาอันนี้เป็นชื่อของมรคติได้มรคติมรคแล้วยังไง กระจายสัมมาวายามะมัสสัมมาทิฏฐิสัมมาสติแล้วก็สัมมาสมาธิมัสที่เหลืออีกสี่ยังไงมัสมี้แปดเนี่ยก็เหลือสัมมาสังกัปปะแล้วก็สัมมาวาจาสัมมาปรรมตตะและสัมมาชีวมัสสรุปก็คือว่ามัสที่ไม่ได้กล่าวมีอยู่สี่มัสทีนี้ถ้ากล่าวสมาทิฏฐิแล้วสัมมาสังกัปปะชื่อว่ากล่าวแล้วเรียกเพราะเป็นชื่อของปัญญายังไงก็ไม่อีกหนึ่งก็กลายเป็นห้าแล้วเหลือสาม พุทธศีรสามคือสัมมาวาจาสัมมากรรมต่าสัมมาชีวะตรงนี้ทา้าพรธเจ้าตรัสสติปัฏฐานสูตรส่วนแก้ไขบอกแก่ชาวกุรุรักจีฟานกุรุใจฟามตรงนี้ก็คือว่าท่านกล่าวเอาไว้ว่าชาวกุรุเนี่ยรักเนี่ยเป็นคนมีปัญญามากเหตุที่เป็นคนมีปัญญามากอ่ะเพราะสืบเชื้อสายมาจากฟานกุรุคือมาในยุคหนึ่งอันนี้ต้องเท้าความเป็นไรอะไรพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ย อท่านไปอุตตรากุรุทวีปพอไปมาชาวอุตรากุรุทวีปก็อยากจะมาเที่ยวชมพูทวีปก็มาด้วยอํานาจของจักรจักรแจวเนี่ยเนเขาพอมาเบเสร็จก็คือเอาไม่กลับแล้วเขาก็าตั้งรกลากสืบเชื้อสายมาตามลําดับพวกเชื้อสายของคนมีบุญมาเกิดในแฝง น, นี้ก็เลยกลายเป็นคนมีปัญญาสติปัญญาค่อน ข, ข้างมากเ้าบอกตรงที่เมืองเนี่ยที่กุรุเนี่ยนะ บางคนก็ไปอินเดียกันก็ไปที่ตรงนี้ตรงที่พระเจ้าแสดงสติปัฏฐานแล้วก็ไปไหว้ไปสตาร่าไปบูชาตรงนี้กันบางคนใครเคยไปที่อินเดียก็จะไปที่ดูถ้าที่ตรงเนี้หนึ่งอากาศก็สบายะอากาศก็สบายะหมายถึงอุตุสบายยอาหารก็สบายะบุคคลก็สบายยเป็นต้นเนี่นะสบายะดีมากฉะนั้นพระพุทธเจ้ามาพิจารณาดูจริงแสดงสติปัฏฐานสูตรให้ให้กับคนในในแปลนนี้ได้ฟัง เขาอว่าคนในกวนเนี่ยสนใจกันมากเวลาเขาเจอหน้ากันเนี่ยเขาจะถามกันเรื่องอะไรเขาจะถามกันเรื่องสติปัฏฐานเช่นว่าเวลาไปเจอหน้ากันเบอร์เสร็จพวกก็จะทักกันว่าเออคุณคุณคุณเจริญสติปัฏฐานแบบไหนก็จะบอกโอ้เราจเจริญอานาปาณะบอกผ้าอีกคนนึ่งก็จเจริญสติเอีอย บ, บ, บวดบอกน้อประชัญยะบอกเป็นต้นถ้าถามใครแล้วใครบอกว่าโห้ไม่ได้เจริญเลยเขาจะทากันตําหนิ บอกโตชีวิตของคุณเนี่ยเหมือนตายแล้วเนี่ยเหมือนคนที่ตายไปแล้วไม่มีผิดเลยว่างั้นอยู่ด้วยความประมาทว่างั้นเออพวกคุณทําไมไปปล่อยวันเวลาผ่านไปได้เปล่าประโยชน์เล่าเขาบอกว่าเยาว่าจะมนุษย์เลยว่างั้นในแปลนนั้นอ่ะแม่นกแขกเต่ายามที่เยกมันนกแขกเต่ายังเจริญสติปัฏฐานแล้วคุณทําไมไม่เจริญในตรงนั้นแล้วก็ไปยกตัวอย่างก็เล่าว่าในสํานากของพิกตุนีท่านเนี่ยก็มีนกเนี่ย ในช่างเขามาสร้างพุทิวิหารเบีดเสร็จแล้วก็ลืมนบไว้พิจูนี้ก็มาเลี้ยงก็ไว้พอเลี้ยงเบียดเสร็จก็เอ๊เจ้าเป็นสัาาตว์เดรัจฉานเนี่ยอยากกระนั่นเลยว่างัออ้นอยู่ในสำแนักของบัณฑิตเนี่ยควรที่จะมีความรู้ติดเนื้อติดตัวควรจะศึกษากรรมาฐานนะนนก็เลยให้ให้เจริญอธิกากรรมาฐานคือให้ให้ท่องอธิกังอธิกังเน่ยโดยภาษาไทยก็คือให้ท่องกระดูกระดูก็ไว้เนี่นะคือ ให้จำได้ว่ากระดูกกระดูกแล้วก็บอกสอนสอนเธอเอ้ยสอนนกเนี่ยให้ดูว่าเอ้ยทุกอย่างไม่มีอะไรหรอกมีเดีกระดูกนั่นนะก็ให้ท่องบริกรรมว่าอธิอธิอธินะนกตัวนี้ก็ท่องกระดู ก, กระดูกจนเป็นอาตยายยัยอยู่มาวันหนึ่งก็คือถูกเหี่วเชียวพอเชียวไว้เสร็จก็เขาก็ลองแก้แก้ไว้เนี่ยนะนามฟิกุ์มีทั้งหลายก็พากันตามตามตามไปมีต่อพอล้องล้องไวเสร็จผลก็ากดว่าเหี่ยวก็ปล่อยก็ตกลงมา พิกนะตัวนี้พึงเป็นสมัมมเนรีเป็นตอนก็วิ่งในรํานองไปเอานกมาก็มาถามพิกนีก็ถามเออลูกมีรํานองอย่างนั้นนะว่าเออตอนที่เหยี่ยวจับเธอไปเนี่ยเธอคิดยังไงนกนกแขกเต้าแบอบกว่าไม่ได้คิดว่าเป็นกระดูกข้าวกระดูกนะคือมีความเห็นว่าไม่ได้เห็นเป็นนกเลยนะไม่ได้เห็นเป็นเหยี่ยวไม่เห็นว่าสัตว์ตัวร้ายเลยเลยเนี่ยเห็นว่ามีกระดูกกรองใหญ่ๆมาเกอกหรือมาคาบหรือมามาเกาะ หุ้มมากระดูกกองเล็กแล้วก็ลอยไปแค่นั้นเนี่ย ก, ก็เลยยกตัวอย่างนี้ให้ฟังว่าโอ้โขนาดนกสัตประหลานยังเจริญอธิกะธรรมฐานขนาดนี้นะว่างันน้นนะเราเป็นมนุษย์เนี่ยเราจะปล่อยวันเวลาให้ผ่านไปโดยโดยโดยตมาทโมเมาได้ยังไงก็ต้องมาสนท น, นากั น, นอันนี้บอกบอกให้เห็นว่าคนในในฟานโกลูเนี่ยเขาเจริญสติปัฏฐานกันจริงๆทีนี้ตรงที่บอกว่าอ อ, องค์มรคห้าเนี่ยองค์มรคสี่องค์มรคห้ า, 4, าเนี่ยมาแล้วใช่ไหม สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกประแล้วก็สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิหลือองค์มาสามคือสัมมาวจาสัมมากรรมฐาสมาชีวะยังไม่มาตรงนี้ท่านกล่าวโดยสรุปตรงนี้ก็ว่าพระพุทธเจ้าจัดแสดงสติปัฏฐานให้กับคนผู้ศีลร่วมมีศีลนะว่าก็แสดงให้กับคนมีศีลถ้าหาวอุศวรศีลไม่ดีเนี่ยพระองค์จะไม่แสดงสติปัฏฐานสรุปแล้วก็คือว่าคนที่จะมาฟังสติปัฏฐานสูตรเป็นต้นเนี่ยคนคนนั้นเนี่ย จะต้องชำนาญชำน้ชํานาญในการเจริญกุศลศีอย่างที่พูดมาตอนเช้าที่บอกว่าเขาสามารถเจริญกุศลศีได้ในชีวิตประจําวันเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าหนึ่งในการที่เขาจะมารักษาศีหรือมาอบรมสีมาเจริญสีเป็นต้นเนี่ยจิตที่คิดจะจะคิดจะรักษาศีลจิตที่คิดจกสมาทานศีเนี่ยเขาใช้จิตอะไรเขาใช้มหากุลาศลจิตแปดดวงใดดวงหนึ่งนั้นจิตที่คิดมาก่อนเนี่ยปริมาณกุศลศีที่เกิดขึ้นในใจของเขาเนี่ย ที่เป็นปุพพเจตนาเนี่ยอย่างมากมายอย่างมหาศาลทีนี้ยิ่งเขามาตั้งใจในสมาทานในขณะที่เขาสมาทานอันนั้นเป็นมุญญาเจตนานั้นตัวกุศลจิตมหากุศลจิตแปดวงใดดวงหนึ่งที่เกิดขึ้นในกระแสจิตของเขาในขณะนั้นก็เกิดขึ้นอย่างมหาศาลหาประมาณข้ามี่ได้เพราะว่าเกิดขึ้นอย่างมากมายเลยเกิดอันนั้นเป็นมุญญาเจตนาหลังจากที่ผ่านจากการตั้งใจในการรักษาศีลไปแล้วเนี่ย กุศลศีนก็เขาเอามาบริหารอย่างต่อเนื่องอันนั้นเป็นอัปราเจตนาสรุปแล้วก็คือว่าใจของท่านเหล่านั้นหรือเจตนาที่น้องไปในก่อนจักสมาทานศีลกาลังสมาทานศีลและหลังจากสมาทานกุศลศีลไปแล้วตัวกุศลศีลก็เกิดขึ้นกับท่านผู้นั้นสามการทั้งก่อนทั้งขณะรมแล้วก็หลังจากทำตัวกุศลศีลก็เขาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วที่ได้ยกตัวอย่างตอนเช้าบอกว่าคนบางคนเกิดมาใช่ไหม ถ้ามาเป็นมนุษย์เนี่ยอำนาจของกุศลศีลให้ผลถ้ากุศลศีลดีจริงๆปราณีตละเอียดจริงๆเนี่ยตั้งแต่เกิดในชั้นของปฐมวัยเนี่ยถ้ากุศลศีลตามรักษาตามให้ผลด้านบนนั้นเนี่ยเขาจะมีรู ป, ปรกายงดงามมากในช่วงปฐมวัยตั้งแต่เกิดยั 25, มมนยี่พาสมมติอย่างนี้เราจะตั้งหลักอย่างนี้นะว่ายี่พาเนี่ยเอาเจ็ดสิ้าเนี่ยตั้งเนี่ยตั้งแต่เกิดถึงยี่พานี่เป็นปฐมวัยเนี่ยตั้งกันอย่างเราๆเขาเขาจะมีรู ป, ปรกายงามมาก เขตที่เ้างามในช่วงปฐมวัยเพราะอะไรกุศลศีลที่เขาเป็นผู้ภาเจตนาเขาค่อนข้างดีกุศลประเภทนี้ก็ให้ผลเขาได้ความงดงามในส่วนตอนปฐมวยัยถ้ามัดชิมวยัยคือหมายถึงมุนจากเจตนาเจตนาในการรักษาศีลของเขาค่ดีอีกใช่ไหมช่วงมัดชิมวัยจากห้าสิบหรือจากยี่ห้าถึงห้าสิบเนี่ยเขาจะดีรูปประกายเขาค่อนข้งางจะงดงามละเอียดผิวพรรณสวยงามเนี่ยนะถ้ายิง่งอัตราเจตนาของเขาดีเนี่ยกุศลศีลตามรักษา ในวัยที่สามคือตั้งแต่ห้าสิบไปยนตายเนี่ยเขาก็มีความ ง, งามทั้งสามวัยเชื้ที่คนบางคนเกิดมามีรูปประกายนเนี่ยงดงามตั้งแต่ปฐ ม, มวัยมาชิ ม, มวัยมาชิ ม, มวัยอันนั้นบอกบอกอะไรบง่งบอกกุศลศีลที่เขาทามาไม่ไม่ขาดตอกโบกพ่อก็หมายความว่าปุกพระเจตนาก่อนรักษาศีลเขาก็ตรึกกุศลศีลมาเป็นอย่างดีในช่วงกําลังสมาทานศีลรักษาศีลในขณะนั้น มูจ่าเจตนากุศลศีลเขาก็เกิอดอย่างน่าแน่แล้วหลังจากหลังจากมูจ่าเจตนาผ่านไปแล้วเป็นอ布拉เจตนากุศลศีลเขาก็เกิดค่อนข้างอย่างดีท่านั้นสามวัยก็จะมีงความงดงามมาที่ได้ยกตัวอย่างเมื่อเช้านี้บอกว่านางวิสาขามหาบาจิกาเป็นบุคคลยิ่งงามทั้งประถมวัยมาชิมวัยและปัดชิมวัยถ้าเราสาวถึงอดีตของนางนางจเจริญกุศลศีลมาอย่างนี้ อันนี้บ่งบอกให้เห็นว่าเห็นไหมกรรมคืออดีตเหตุทํามาดีทั้งสามการเ้อ ง, งามสามการถ้าเรามาแบบนี้เราก็สามารถคิดถึงกลุ่มเราทั้งหลายได้ยังมั้ยคือในสมัยเด็กๆเราก็ดูงามพอมาถิ่นมาวัยปัจจุบันมาวัยเราไม่งามอันนี้บ่งบอกอะไรแสดง ว, ว่ากุศลศีลของเราอาจจะดีครึ่งๆกลางๆยังมั้ยอันนั้นก็ไปตรวจสอแต่ว่าตรงนี้วัตถุประสงค์ก็คือต้องการให้เราเข้าใจตรงนี้แล้วก็อีกอย่างก็คือว่าเข้าใจว่า พระพุทธเจ้าตรัสสติปัฏฐานเนี่ยหรือสแสดง ส, สติปัฏฐานเนี่ยก็เพราะว่าสแสดงมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกับจาระวิชาและโทมนัตเนี่ยก็คือตรัสเกี่ยวในเรื่องของมรรคโยงแปลกเป็นต้นนั่นเองที่นี้หลังจากนั้นพระองค์ก็จะแสดงในเรื่องของอาณาปณะบัพเป็นต้นจนรายละเอียดในด้านของอุเทศนะ์ั้นเอาไว้ศึกษาทั้เป็นไปตามลําดับแต่ในที่นี้ที่จะเข้ามาสนท น, นา ก, นกันก็คือพอพระพุทธเจ้าสแสดงอีอาณาปณาะาบัพจบ ก็อาณาปาณะบัปนั้นก็สามารถเป็นปัจจัยเกี่กับการที่จะบรรลุมรรคผลได้ไม่หมดไดทีนี้หลังจากแสดงบาปนี้เสร็จแล้วเนี่ยในการเจริญสติปัฏฐานถ้าดูอย่างในอิริยาบทบาปพิพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนที่จะทั้งหลายอีกประการหนึ่งเขาก็อีกประการหนึ่งแปว่าต่อจากอาณาปาณะบัปแล้วก็มาขึ้นอิริยาบทบัปบอกว่าในการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยถ้าจะกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่แสดงตามอัจฉริยะเมื่อกี้ ก่อนหน้านั้นนะฟังฟังพุทธพจน์จบคือพุทธพจน์จะมีอยู่นิดเดียวนะที่สดแสดงในเ e อียบทบอกเนี่ยไม่ถึงหน้านะถ้าหากว่าประมาณหน้าหน้าหน้ากว่านิดหน่อยที่บอกว่าอันหนึ่งสติของเธอตั้งมั่นอยู่ว่าเป็นต้นเนี่ยแม้อย่างนี้ที่สูตชื่อว่าพิจรารณาเห็นกายในกายเป็นต้นอันนี้เป็นพุทธพจน์ต่อไปถ้าเราต้องการจะทำความเข้าใจตรงนี้ก็ต้องดูทั้งอัตถกาถาแล้วก็ดูทั้งดีกา เออวันนี้มีมีอัตถกถาและดีกาอมาด้วยคือถ้าเราดูแค่พุทธพจน์อย่างเดียวเนี่ยความเข้าใจของเราก็จะอยู่แคบๆ แ, แ, แบบเนี้ยแต่ถ้ามีอัตถกถามาขยายถ้าอัตถกถาขยายแล้วไม่เข้าใจเอาดีกามาเปรียบเทียบตอนี้เราจะชัดเจนโอ้อที่ปฏิบัติในียาบทเป็นแบบนี้ใช่ั้มที่เมื่อเช้าที่มีคุณยคมได้หนึ่งกล่าวเอ๊ะถ้ารู้แค่นี้พอไหมเนีย่ยธรรมาบอกว่าแล้วคิดว่าพ้นทบได้ไั้ม ใช่ไหมรู้แค่นั้นพ้นทุกได้ถ้ารู้แค่นั้นพ้ น, น, นทุกได้ก็พอสำหรคนคนนั้นแต่ถ้ารู้แค่นั้นแล้วไม่สามารถเป็นปัจจัยในการเจริญแล้วองพ้นทุกได้รู้แค่นั้นยังไม่พอทีนี้ในการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยอัตถกถากล่าวตามวัตถุประสงค์ก็คือเพื่ออะไรอัตถกถาท่านบอกว่าการเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นเพื่อกําจัดสุภาพวิปลาสความทั้งคันว่างงามในกายที่มีงามถ้าเจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน อาตตะตาท่านบอกเพื่อกําจัดอะไรกาจัดสุขะวิปลาสไอ้ความสำคัญว่าสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์ถ้าเจริญจิตตานุปัสสนาเพื่อกาจัดนิจจาวิปลาสคือเป็นสำคัญว่าจิตไม่เที่ยงนยทั้งๆที่จิตนั้นไม่เที่ยงถ้าเจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพื่อจะละอะไรอัตตะวิปลาสความสำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนว่าขันหานี่เป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนเป็นหญิงเป็นชายเป็นต้น ฉันอันตถกาถาท่านจะวางหลักเอาไว้ว่าตามหลักพุทธพจน์พระเจ้าตรัสกายานุปสัปนสาปนะานาสติปัฏฐานเพื่อละสุขภาวิปราสเนะเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานเพื่อละสุขข่าวิปราสกิตานุปัสนาสติปัฏฐานเพื่อละนิจจาวิปราสแล้วก็ธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานเพื่อละอัตตาวิปราสทีนี้ถ้าถามว่าเ อ, อ แล้วจริงไหมว่าสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยเป็นสำคัญว่ากายเนเป็นของงามใช่ไหมกายคือผมกายคือขนกายคือเล็บกายคือฟันกายคือหนังกายคือเนื้อกายคือกระดูกกายคือเอ็นกายคือกระดูกกายคือเยื่อในกระดูกเป็นต้นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้าหัวใจไตไตของสื่เป็นกายหมดแหละรูปกายสัตว์โลกสําคัญว่ากายเหล่านี้เป็นของงามใช่ไหมทำไมต้องสําคัญว่าเป็นของงามก็เป็นสิ่งที่ทําให้สัตว์โลกนั้นยึดถือ อาจารยบอกว่าเอแล้วตอนเนี้ยที่เราอายุร่วงการผ่านไว่มามากๆแล้วเรายังทํงาคันกายนี่งามอยู่ไหมบางครั้งเราก็ลังเหยียดกายนี้แต่เราไปไม่ถึงกายคนอื่นโอ้งามนะเด็กคนนี้งามนะเห็นบ่งบอกเห็นอะไรเพราะเรายังยึดติดว่า ง, งามนั่นเองโอ้เด็กคนนี้หน้าการหนา่ารับนั้นบ่งบอกถึงอะไรก็คือสุภะวิปะลาสที่ไปเห็นกายนี่งามนั่นเองใช่ไหมใจเราอาจจะมองกายของตอนเองว่าเหม่ตอนนี้ไม่งามแล้วนี่เราก็ตั้งจิตหลาชนาขออะไรกายงามๆเยอะเนี่ย ลักษณะนย่างไหมตั้หามันจะโลดแล่นตามกระแสอตามตามตามความต้องการของเขาแต่ในที่สุดจริงๆก็ออกจาก่กายนี่ไม่ได้คือเป็นสำคัญกายนี่เป็นของงามอยู่นั่นแหละนั้นแต่เราพิจารณาอย่างนี้ก็จะทําให้เราเข้าใจว่าทั้งๆ ท, ท, ที่ปัจจุบันเราก็รู้นะว่ากายเราเนี่ยหมดงามแล้วเนี่ยแต่ที่จริงมันหยุดแค่นั้นที่ไหนที่ว่าหมดงามมันไม่ใช่เป็นสำคัญโดยความเป็นปัญญาที่ไปรู้ตามความเป็นจริงที่ไหนเราไม่ใช่อย่างนั้นเลย เพราะเรายังมองกายสิ่งอื่นงามอยู่นั่นบ่งบอกอะไรบ่งบอกว่าเรายังไม่ได้ชําระหรือขัดเกลาอัจฉริยะใสของเราจริงๆหรือปัญญาจริงๆในการที่จะไปรอบรู้ตามสภ า, าวะธรรมตามความจริงอะไรเลยว่ากายนี้เป็นของไม่งามอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เพราะว่าอสุภะภาพพวนานก็ดีใช่ไหมหรือกายยักตาสติเป็นต้นก็ดีเป็นต้นเนี่ยเราเรายังจเจริญกันหรือขัดเกลาไม่ส่องแจ้งนั้นได้วัตถุประสงค์มันอย่างนั้นที่นี่ว่า พระพุทธพจน์ในสถิติฐานสูตรกาวการพิจารณากายานุปัสนาเนี่ยสี่สีับโดยเริ่มตั้งแต่ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกต่อจากนั้นก็ไปพิจารณาอ e ียาวดคือยืนเดินนั่งนอนแล้วก็ต่อจากนั้นก็คือว่าพิจารณาให้ละเอียดในไหนอีกในสัมปชัญญะทั้งเจ็ดหมวดคือการก้าวไปข้างหน้าการถอยกลับเป็นต้นเอพิจารณาอย่างนี้